แล้วก็ถ้าพิจารณาความเกิดความดับนั้นก็ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกนะธรรมะในภูมิสามทั้งหมดเป็นทุกทุกเหล่านี้เกิดจากสมูทัยเรียกว่านี้สมูทัยนี้ทุกขานิโรธทุกขานิโรธก็คือพระนิพพานส่วนทุกขานิโรธถ้ามิมีปฏิปทานะมรรคยานสี่นี้ก็เป็นการแทงตลอดอริยสัจสี่นะเขาบอกว่านี้ทุกนี้ทุกขสมูทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขนิโรธถ้าขามิมีปฏิปทา ขอให้รู้ทว่าเท่ากับพูดมรสีแล้วนะเพราะอริยมรทั้ง4ี่ก็คือการแทงตลอดอริยศาสตร์สีแต่แทงตลอดไม่ใช่เหมือนเดิมเหนไคืออย่างถ้าโสดาปฏิมรก็แทงตลอดอริยศาสตร์ที่ไม่เคยแทงตลอดมาก่อนใช่ไหมสกะทาคามีมรเป็นต้นก็คือการแทงตลอดอริยศาสตร์ที่เคยแทงตลอดไว้แล้วแต่ว่าลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมละกิเลสได้มากกว่าเดิมเนไเน้นว่าจุดประสงค์ที่ละกิเลสได้มากกว่าเดิมเห็นะ แล้วก็ถ้าถ้ารู้อริยศาสตร์จริงๆนะต้องมาพิจารณาว่าละอาสวะได้จริงๆด้วยนะวันนี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับอาสวะเพราะฉะนั้นใครๆบอกว่ารู้อริยศาสตร์เนี่ยอันสุดท้ายต้องมาเทียบด้วยว่าต้องรู้เรื่องละกิเลสด้วยไม่ใช่ว่าอริยศาสตร์รู้แล้วกิเลสเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็บอกถ้าเห็นอริยศาสตร์ตั้บต้องเอาเรื่องกิเลสมาวัดด้วยยกตัวอย่างว่าอาสวะ อันนี้อาสวะนะนี้เหตุเกิดของอาสวะอาสวะมีสี่ใช่ไหมกามสวะทิฐาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอะไรเป็นเหตุเกิดอาสวะเพราะอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดอะไรเป็นความดับอาสวะตอนนิโรธเนี่ยนะปณิพานะด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคเพราะฉะนั้นรู้ทั้งอริยสัจในแง่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วประมวลกิเลสโดยอริยสัจด้วยเหมือนกันเนี่ยนะ ทั้งหมดนี้เป็นอธิปัญญาสิกข า, านะถ้าตามว่าดามสรุปนั้นอธิศีและสิกขาก็คือศึกษาในเรื่องศีลทั้งหลายจิตตสิกขาก็คือการอบรมสมถะทั้งหลายอธิปัญญาสิกขาก็คือพิจารณา เ, เกิดความดับพิจารณาอริยสัจนั่นเอ ง, น, น, เอง น, น, นั้นคุณบัญชูจะไปหลีกเล่นเนี่ยนะก็สิกขาสามนะนะไม่ใช่ไปเจริญป่าสิกขาไม่ใช่เลย ไม่ใช่เจริญเสนาสนะสิกขานี้ไม่มีเขาไม่มีศัพท์ใหม่นะเขาบัญญัติขึ้นมาแล้วว่านามรูปสิกขาเขาบอกงั้นไม่รู้มาอย่างไรก็ไม่ทราบเขามีบัญญัติขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่นามเนี่ยเรียกว่าเขานามรูปศึกสิกขาเขาว่างั้น <Yeah. S 1> อ, อไม่รู้เขาว่าเขามาขึ้นมาใหม่คือเขาปฏิบัติเหมือนกันของเราปฏิบัติไตรสิกขาใช่ไหมก็บอกของเขาเนี่ยนามรูปสิกขาเงมาก็เลยเออไม่รู้มายัางไงอีกันเนะ แต่มีแล้วนิมยมเขามาเล่าให้ฟังแล้วก็มีกลุ่มนามรูปสิกขามาแล้วไม่รู้จะออกมาเป็นอะไรอีกก็ไม่ทราบนะมันค่อยๆงอกไปเรื่อยอย่างนี้ธรรมะนะนั่นนะเอาใช่ของเราก็น่าจะปฏิบัติได้หลายคนทีงนี่นั่น ะ, ะนะสมาธิหมุนอ๋ออันนั้นอีกในหนึ่งอันนั้นไหวติงประมัิ มีคนละคมีเยอะปสมาธิมนะุนนมันเป็นยังไงอเอเกาไว้นอกเวลานี้มีโอ้โหโลกนี้สรารพัด ท, ที่จะมีอะไม่ต้อ ง, องนะททอห่วง่ะไอ้ที่มียากก็คือมรรคกันนะไอ้ที่จะเพี้ยนเนี่ยไม่ยาก <c oughs> แต่ว่าไม่มีใครคิดว่าตัวเองทำผิดหรอกเชื่อเถอะถ้าเราไปบอกว่าเขาผิดนะ่นนะคือการที่เราไปเหมือนกับไปบอกว่าใครเป็นคนไม่ดีเ่เนยะเป็นความฉลาดของผู้บอกไหม แกนี่เป็นคนไม่ดีเลยอย่างง้ยนะยากนะนะบางก็ในโลกนี้ก็ไม่มีใครคิดว่าตัวเองทำผิดอยู่แล้วแต่จริงๆผิดหรือถูกก็ต้องเอาว่าเรามีอะไรเป็นบรรทัดฐานอย่างของเราก็คงเอาคาสอนในพระไตรปิฎกเป็นประทัดฐานเนี่ยนะส่วนใครจะเป็นยังไงก็อย่าลืมนะพระองค์บอกว่าไม่ควรละเลยอุเบขาอุเบขาก็คือการพิจนารณาเรื่องกรรมเนี่ยนะว่าเขา ถึงเขาปฏิบัติผิดหรือถูกก็ตามเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติผิดเขาอาจจะเป็นกลุ่มพวกช้ำภูกะชีวกก็ได้เขาอาจจะบรรลุเร็วนะผิดอยู่นานแต่บรรลุเร็วก็ได้ของเรามันกระต๊กกระแทก อ, อย่างเงี้แต่ว่าไม่รู้เมื่อไหรก่กันแน่นันก็จะไปดูหมิ่นคนอื่นเข า, าทีนี้ลักษณะของพระเสขะเขาทํำยังไงกันย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าพระเสขเขาทํำยังไงบอกว่าพระเสขทั้งหลายคํานึงถึงไตรศิกขานี้ชื่อว่าศึกษาอยู่อาวชนะนะ คิดถึงอาวชนะเนี่ยคิดถึงศีลคิดถึงสมาธิคิดถึงปัญญาบ่อยๆก็บอกว่าถ้าอาวชนะไม่เกิดและชาวนามันจะเกิดได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องให้อาวชนะนึกไปก่อนอย่ารังเกียจในการที่จะนึกถึงศีลนึกถึงสมาธินึกถึงปัญญาเนี่ยนะใหรให้นึกถึงไว้ก่อนนึกถึงบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอย่างเขาบอกว่าถ้าใครนึกถึงศีลได้มากคนนั้นก็ศึกษาเรื่องศีลมากใครนึกถึงศีลได้น้อยคนนั้นก็ศึกษาเรื่องศีลน้อยเนี่ยนะ แต่อย่างสมมติอะของพระบวชเข้ามาเนี่ยถ้านึกถึงศีลได้น้อยกว่าคารวะก็คือว่าศึกษาเรื่องศีลน้อยคารวะถ้าคิดถึงศีลได้มากกว่าก็อาวชนะหรือเป็นสิกขามากกว่าแล้วก็รู้ก็ศึกษานะชาณาโตเนี่ยรู้ก็ศึกษาอธิฐานจิตก็ศึกษาอยู่นั้นอธิฐานจิตศึกษาเป็นสามคำก่อนนะนึกถึงรู้อธิฐานจิตสามคำทีนี้ก็อวินสี่ห้ามาจับว่าน้อมใจไปด้วยศรัทธาก็ศึกษาอยู่ น้อมใจไปในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าศึกษาประคองความเพียรในศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าศึกษาตั้งสติเอาไว้ในศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าศึกขาตั้งจิตตั้งจิตให้ดํารงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็เป็นศึกขารู้ทั่วด้วยปัญญาเนี่ยนะก็ชื่อว่าสึกขา อภินัยยธรรมอ่ะนะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็ชื่อว่าสิกขากําหนดรู้ปริญญาเนี่ยนะกำหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ก็ชื่อว่าสิกขาหรือว่าละธรรมที่ควรละก็ชื่อว่าสิกขาเจริญธรรมที่ควรเจริญก็ชื่อว่าสิกขาทําให้แจ้งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งก็ชื่อว่าสิกขาเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มอภินญยยธรรมแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อในศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าสิกขา ประพฤต์เต็มใจนะถ้าเต็มใจในศีลสมาธ e ิป e ัญญาก็ชื่อว่าศิกขาแล้วก็สมาทานก็สุดท้ายนะสมาทานประพฤติไปเนี่ยนะสมาทานประพฤติไปนั้นจากนี้เรากลับไปถึงบ้านก็สมาทานสิกขาให้จนกว่าเรจะไปถึงบ้านนะนะจะอยู่ในบ้านสมมุติเราต้องอยู่ในบ้านสิบชั่วโมงไงนะก็สมาทานให้ประพฤติสิกขาให้ได้สักสิบชั่วโมงต่อไปจะไปไหนอีกก็สมาทานสิกขาอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถามว่าทำอย่างนี้กลับไม่ทําไหนดีกว่ากัน ทำดีกว่าไงถ้ายังไม่ทําก <um> ็ทํำยังไงก็สมาทานที่จะทําหมือนนะถ้าสมาทานไปแล้วมันขาดทํำยังไงก็สมาทานใหม่ถ้าสมาทานแล้วมันขาดอีกก็สมาทานใหม่ไปเรื่อยๆก็เหมือนกับหุงข้าวหุงข้าวกินหมดแล้วทํำยังไงอีกมื้อต่อไปก็หุงใหม่เนี้ยก็เหมือนกันอ่ะนะเห็นที่หุงข้าวเหม็นเบื่อเลยนะสิกขาแล้วก็ทําไปหน่อยเลยเบื่อแล้วกลางวันนายโยมก็มาปรึกษาก็บอกว่าทำแล้วสมาทานไปแล้วมันทําได้ไม่นานอ่ะเอาก็ทําใหม่ซะสิจะไปยากอะไร นี่นก็ขยันทําใหม่ๆไปเรื่อยๆนะก็เรายังตื่นเช้าแปลงฟันใหม่ไปเรื่อยใช่ไหมก็ย่างเน้นเบื่อเลยมีหลายเรื่องที่ทําใหม่ทําใหม่ทําใหม่ไม่เบื่อนะทั้งๆที่ไม่ใช่ปริญยญาทะอขกไปไม่ใช่พาเวแตประธรรมด้วยนะก็ทําใหม่อยู่ได้ขนาดนั้นอาบน้ำเดี๋ยวก็อาบแล้วอาบอีกอาบแล้วอาบอีกเนี่ยนะศีนน่ยทีขาดไหน่ก็จะแหมจะพอแล้วจะเบื่อแล้วจะเลิกแล้วก็เอาใหม่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนกว่าจะนอนแหละ มีสติเว้นรอบแปล ว, ว่าไม่มีเวลาไหนที่ไม่เป็นสิกขาเนี่ยนะก็จนกว่าจะถึงขนาดนั้นทีนี้พอทําจบเลยเป็นอาเสขาเลยก็ น, นี้ที่เรียกว่าจบการศึกษาเลยเนะถ้าจบการศึกษาเพราะยังไงท่านก็อยู่กับสิกขาตลอดไม่มีขณะไหนที่ว่างเว้นจากสิกขาอยู่กับสิกขาแบบคนจบการศึกษาเนี่ยนะถามว่าพวกอาจารย์ทั้งหลายในมหาลาัยเนี่ยต้องศึกษาอยู่หรือเปล่าวัาง น, นเนไม่ต้องศึกษาหรือว่าในวิชาที่เขาสอนเนี่ย เฉพาะกับเกี่ยวกับนักศึกษากับเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาด้วยไหมอาจารยก์ก็เรียกว่าแต่ก็ไม่เหมือนคนอยู่นอกการศึกษาใช่ไหมผู้ที่สอนนะอย่างพระเสขะทั้งหลายท่านก็สอนสิกขาอยู่พระสารีบุตรท่านสอนเรื่องตรายสิกขาอยู่ไหมสอนพระพุทธเจ้าสอนตรายสิกขาไหมสอนเพราะฉะนั้นพระเสขะทั้งหลายเนี่ยนะตั้งแต่ปู่ตูชนจนถึงพระโสดาบันเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติ สิกขาพผ้ารหัสทั้งหลายอยู่จบสิกขาแต่ก็กลับมาสอนไตรสิกขาเพื่ออนุเคราะห์บุคคลอื่นแต่ก็มีหลายๆท่านไม่สอนก็มีมีพระัญญากณทัญยะท่านก็สอนสอนลูกศิษย์ท่านลูกศิษย์ดื้อมากนักอย่าไปสอนเลยท่านก็ไปอยู่ป่านะลูกศิษย์บอกยากสอนยากท่านก็เลยเลิกสอนเนี่ยนะก็มีก็หลายท่านก็อยากจะสงเคราะห์คนอื่นนะนะแต่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่ทราบสอนแล้วเขาไม่ทําตามก็เลยบอกอยู่กับช้างดีกว่า ก็มีเนี่ยนะส่วนพระอเสขาเนี่ยนะศิกษาทั้งหมดเราเนี่ยท่านท่านทำเสร็จแล้วนะอย่างที่เคยกล่าวว่าผู้ที่หลุดพ้นเนี่ยนะพ่อรู้โดยชอบใช่หมหลุดพ้นแล้วเพาะรู้โดยชอบรู้ยังไงรู้ความเป็นกองแห่งขันทั้งหลายขันทั้งหลายเป็นกองไหมกองยังไงบ้างอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้นะ นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอะไรท่านรู้แบบนั้นอย่างดีอยู่แล้วของเราเนี่ยได้ยินแต่เราไม่ได้รู้แบบนั้นถามว่าได้ยินกับรู้จริง Eller? เหมือนกันไหมขอเรามันต่างกันยังไงคือรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันรู้แบบเาเรียก ว, ว่ามันเข้าใจแบบนั้นจริงๆกับที่ได้ยินได้ฟังเรื่องว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ อัตตาของเราเราได้ยินแต่เรายังไม่ได้เห็นแบบนั้ น, นไม่ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆก็ <S <S เราฟังเรื่องความตายเนี่ยฟังมาใช่ไหมแล้วเราเจริญเรื่องความตายไหมไม่ใช่า อ, าาอาหารเรื่องอาหารปฏิกูลเนี่ยเรารู้ใช่ไหมรู้แต่ถ้าเราว่าเวลาทานอาหารคิดอย่างนั้นไหม <S <S ไม่ได้คิดเนี่ยนะอันนี้แหละก็ลักษณะเดียวกันงั้นผู้ที่ศึกษานี่นะ หรือผู้ที่รู้แล้วเนี่ยหมายถึงรู้ด้วยการเข้าไปทํากิจอย่างนั้นเข้าไปทํากิจในความเป็นของสืบต่อแห่งอายตนะก็เีมีตาที่ไหนมีสีที่ไหนอะไรต่อมาเนี่ยนะความชาวณนะทางความคิดเนี่ยตามมาอีกบานเนี่ยนะหลังจากเห็นอย่างนั้นเถอะหลังจากได้ยินเนี่ยก็โอ้ความคิดตามอีกบานหลังจากรู้กลิ่นรู้รสหรือนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะกระแสวตตะเนี่ยจะต่อยาวมาก อันนี้เขว่ารู้ความสืบต่อแห่งอายตนะและก็รู้ความว่างเปล่าของธาตุนิสตตะนิชีวะสุญญาสภาวะเนี่ยนะธาตุคือความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงเนี่ยนะนิสตตะไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์นิชีวะไม่ใช่ชีวะเนี่ยนะไม่ใช่ชีวะแบบอัตตาของพวกอัตตาคิดนะนะแล้วก็ว่างจากความเที่ยงขว้างจากความสุขว่างจากความยั่งจืนอันนั้นแหละความเป็นธาตุ แล้วก็ความเป็นใหญ่แห่งอินทรีย์แล้วก็ความเป็นของจริงแท้แห่งสัจจะว่าทุกขสัจเนี่ยจริงยังไงทิกทุกขสัจเนี่ยจริงแต่เป็นความจริงที่เบียดเบียนบีบคั้นจริงแต่จริงแบบบีบคั้นปีรณโถเนี่ยนะสมุทัยศัตร์เนี่ยจริงไหมจริงแต่เป็นความจริงที่นําทุกขมาให้นิโรธศัตว์เนี่ยจริงไหมจริงแต่จริงความจริงที่สงัดจากทุกข มักกสัดนี่จริงไหมจริงจริงเพราะอัตถาว่าเห็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านรู้จริงในสัจจะเหล่านี้ก็เลยรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือสัจจะทั้งสี่และกําหนดรู้ในทุกสัตว์อย่างบริบูรณ์ละสมุทัยศาสตร์อย่างเด็ดขาดทําให้แจ้งนิโรธศาสตร์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะแล้วก็อบรมมารยาทอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เหมือนท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นพระรู้โดยชอบเมื่อท่านหลุดพ้นอย่างนั้นก็เป็นผู้ที่ บริบูรณ์ด้วยอาเซฆะทาสี่ประการเหล่านี้มันก็เรียกว่าเป็นมหาขีณาศพเป็นนาบุญอย่างไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี่นะเป็นนาบุญของโลกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการแค่ได้เห็นผู้ที่ทรงคุณธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรนุตริยะได้เห็นนะทัศนานุตริยะถ้าท่านพูดอะไรให้เราฟังะท่านจะไม่มีเดรัจฉานกระถาหรอกภรริยะเราระดับนี้แล้วนะมิฉาวาจาละหมดเรื่อง ท่านจะมีแต่สัมมาวาจาอย่างเดียวถ้าได้ฟังคําท่านพูดจะเป็นสวนานุตริยะสวนานุตริยะถ้าตามและลึกถึงความปฏิบัติดีของท่านก็เป็นอนุสตานุตริยะเนี่ยนะอนุสตานุตริยะถ้าได้ไปอุปถากท่านก็เป็นปาริจริยานุตริยะเนี่ยนะท่านถ้ามีศรัทธาในท่านก็เรียกก็ได้ลาภานุตริยะเนี่ยนะท่านเหล่านั้นอ่ะเป็นผู้ที่อนุเคราะห์โลกอย่างแท้จริง ผู้ที่บำเพ็ญคุณธรรมความดีเหล่านี้เต็มเปี่ยมเนี่ยนะแม้กระทั่งยังไม่รู้อะไรสักเท่าไรเลยเห็นท่านในความปฏิบัติดีอย่างนี้ให้ทานและก็ตั้งความปรารถนาว่าท่านรู้ทำเช่นใดขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งการรู้ทำเช่นนั้นด้วยเถอดเนี่ยเยอันนี้ก็เป็นไปเพื่อความพ้นจากวัฏฏทุกข์ของเขาแล้วอย่างของเราศึกษาท้าสุตระสูตรมาทั้งหมดเนี่ยนะเห็นอะไรบ้างเห็นสัมมาสัมพุโทโธก่อนเลยเล่มนี้สัมมาสัมพุโทโธ เห็นความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าสรุปครั้งว่าธรรมะถ้าสุตรสูตรถ้าเจริญตามนี้ปฏิบัติตามนี้เนี่ยละวัตตทุกขได้ไหมได้เน่ยอัน น, นี้เป็นความทําดีของพระธรรมผู้ที่ปฏิบัติตามนี้มีไหม ม, มีเพราะว่ามีผู้พระภิกษุห้าร้อรูปไปปฏิบัติตา ม, ตามสูตรนี้แล้วบรรลุปเป็นพผ้ารหัน์เนี่ยนะแล้วเนี่ยนะก็พระตนละตายก็สมบูรณ์ใช่ไหม นึงเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้สูตรนี้แล้วก็มีผู้ปฏิบัติเนี่ยนะที น, นี้ถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วทรงจําได้เนี่ยนะถ้าถ้าพหูสูตรทรงจําถ้าสุตระสูตรได้ติดตามมาควรจะเป็นอะไ ร, รอ่านะก็ถ้าจําถ้าสุตระสูตรได้เราจะมีศรัทธาเนี่ยนะมีศรัทธาแล้วก็จะได้ทํากิจอะไรบ้างทํากิจ รู้ว่าอะไรมีอุปการะมากต่อชีวิตใช่ไหมเราจะรู้ว่าสิ่งที่มีอุปการะมากต่อชีวิตนะแบ่งเป็น1 2 3่งสองสามเดแปดออเนี่ยอย่างหนึ่งนะมีอุปการะต่อเรามากเรียกอะไรเช่นความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายทำสองที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะทำสามที่มีอุปการะมากก็คือการคบสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัรตว์บูรุษการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมสีท่ที่มีอุปการะมากก็คือจก 4, ักสธรรมห้ที่มีอุปการะมากก็คือองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรห้าธรรมหที่มีอุปการะมากคือสารานิยธรรม6กธรรมเจที่มีอุปการะมากเรียกว่าอริยสัพอริยสัพจ็เนี่ยนะธรรมแมีอุปการะมากก็คือเหตุ8ปัจจัย8ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาธรรมเที่มีอุปการะมากก็คือธรรมอันมีมูลมาจากโยนิโสมนสิการ9 ทำส10ที่มีอุปการะมากก็คือนาถกรณธรรมสิบเนี่ยนะทำที่ทําที่พึ่งกันนะเราก็จะสามารถรู้ว่าอะไรมีอุปการะมากไล่เลยได้เลยหนึ่งถึงสบแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าอะไรควรเจริญทาที่ควรเจริญก็แบ่งหนึ่งไปจนถึงส0บอีกเหมือนกันใช่ไหมทำหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติอันสองรักด้วยความสาราญทำสองที่ควรเจริญคือสมถวิปัสนา ทำสาม ท, ที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐาน4ธรรมะห้าที่ควรเจริญคือสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์หธรรมะหที่ควรเจริญก็คืออนุสติหธรรมะเที่ควรเจริญก็คือโทษชงเจ็ธรรมะแที่ควรเจริญก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ธรรมะเ้าที่ควรเจริญก็คือองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพีเยรเพื่อความบริสุทธิ์9 ธรรมสิบที่ควรเจริญก็คือแดนแห่งกสินหรือกสิณายตนะสิบเนี่ยนะก็จะไล่ไปอย่างนี้นะเราจะแยกออกเลยว่าอะไรควรอะไรมีอุปการะมากอะไรควรเจริญอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละอะไรเป็นไปในความเสื่อมอะไรทําให้วิเศษขึ้นอะไรแทงตลอดยากอะไรควรให้บังเกิดขึ้นอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรทําให้แจ้งอะ่ะก็จะแยกแยะออกตั้งแต่หมวดหนึ่งไปจนถึงหมวดสิบเนี่ยนะ การเอาธรรมะสิหมวดมาเรียงแล้วค่อยเพิ่มทีละหมวดหนึ่งหมวด2หมวด3มหมวด4อย่างเงี้นะเอาธรรมะสิมาตั้งใช่ไหมแล้วก็มาขยายเป็นหมวดหนึ่งสองไล่ไปอย่างนี้เลยเรียกว่าทสุตระ ส, สูตรธรรมะธรรมะสิที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะที่ภาษาดิบุตรท่านท่านกล่าวว่าเราจะกล่าวทำอย่างสูงคือธรรมะสิหมวดเนี่ยนะมี5้าหข้อเนี่ยสำหรับเรื่องกิเลสเครื่องร้อยรัตทั้งหมด เพื่อถึงพระนิพานเพื่อกระทําที่สุดแห่งแห่งทุก์เนี่ยนะในทศตระสูตรเนี่ยเป็นเป็นกาเป็นเครื่องอ่าขอไปเป็นธรรมะที่ไว้ตรวจสอบเราเองได้ทั้งหมดเลยด้วยเนีย่ยนะเราจะเจริญงอกงามหรือเราจะเสื่อมเราจะเลวเราจะยังไงนะเอาเอาสารบานตั้งแต่หน้ากอาไก่ถึงหน้าจจานเลยหน้าจจานเนี่ยมาเป็นเครื่องวัดน่ยนะตรวจสอบหน้าทรงจําไม่มากนะ ในในจําสารบัญไว้ได้ก็ยังดีถ้าจําสารบัญไว้ได้เครียกว่าจําอุเทศบอกคนอื่นของมาก็ด้วยนะก็ควรจะจําเหมือนกันอุเท ศ, เทศแล้วว่าหัวข้อคือถ้าเป็นสมัยใหม่เขาเรียกสารบัญสมัยก่อนก็เรียกอุเทศเทศนี่ยนะสาระบรรณะสาระก็แปลว่าแก่นนะนะีบรรณาก็หนังสืออ่ะแก่นสารของหนังสืออย่างนั้นเถอะ นี่ก็ถ้าสุตระสูตรก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะบริบูรณ์นี่ก็อยู่ที่การปฏิบัติว่าจะปฏิบัติได้บริบูรณ์ขนาดไหนนะนี่ก็เทอมนี้ก็ปิดแต่เท่านี้ก่อน mm hmm. บังว่ า, าสศตระสูตรเหล่านี้คงจะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดถึงถึงจะอะไรไม่ได้ก็คือได้ยอมรับว่าความตรัสรู้ดีของ พระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ดีจริงๆแล้วก็เห็นว่าความเป็นธรรมดีของพระธรรมที่ว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้ก็ทําให้ผู้นั้นพ้นจากทุกข์ได้จริงแล้วก็ยอมรับว่าผู้ที่ปฏิบัติดีขนาดนี้ก็มีอยู่จริงเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดความมั่นคงในพระัตนมตรายเราก็ดียิ่งขึ้นไปเนี่ยนะทีนี้ถ้าเรามีศรัทธาในพระัตนมตรายอย่างนี้เห็นคุณพระัตนมตรายอย่างนี้เราชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน เพราะพระโสดาบันคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจใช่ไหมพระพุทธเจ้าในฐานะผู้เห็นอริยสัจคำสอนของพระองค์ก็คืออริยสัจหมู่พระสาวกทั้งหลายก็คือผู้เห็นอริยสัจวันกุศลธรรมทั้งหลายที่เราศึกษาร่วมกันบาเพ็ญร่วมกันนี้ก็จงเป็นปัจจัยเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านนะนะก็ขออนุมโมทนาด้วย